แรกว่าวันนี้สบายนะวันนี้เริ่มไม่สบายแล้วมันไม่เที่ยงเมื่อเช้าที่คุยกับอาจารย์อนัตตานะพูดเรื่องเครื่องมือในการเจริญสติเครื่องมือหลักๆก็คือสติสัมมาสมาธิเครื่องมือหลักๆผลผลิตของมันเนี่ยเป็นปัญญาพอปัญญาเกิดขึ้นปัญญาทําหน้าที่ ประหารกิเลสทำลายตัดกิเลสตัดสังโยชน์ถ้าตัดสังโยชน์ที่เรียกว่าเป็นปัญญาในระดับอริยมรรคเนี่ยต้องเรียนมากๆเรื่องสติกสัมาสมาธิต้องเรียนสองอันนี้เยอะๆหน่อยถ้ามีสติอย่างเดียวนะขาดสมาสมาธิเนะี่ยมันไม่มีกำลังที่จะตัดสินความรู้ส ม, รสมาธิเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดปัญญา สมาธิคือความตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตเราจะรู้สึกถ้าพอจิตมันถึงฐานของมันจริงๆนั้นมันรู้สึกจิตใจตั้งมั่นจะสามารถสักว่ารู้สักว่าดูอะไรได้หมดนี่ส่วนใหญ่พวกเราจิตใจไม่ตั้งมั่นสมาธิที่พวกเรารู้จักเนี่ยมันเป็นมิจฉาสมาธิจิตมันชอบเข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์ ยกตัวอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใจเราชอบไหลเข้าไปอยู่ที่ลมพอรู้ลมเนี่ยใจก็ไหลไปอยู่ที่ลมเราไปดูท้องพองยุบใจไหลไปอยู่ที่ท้องเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าใจไหลไปอยู่ที่เท้าบางสำนักสายหลวงพ่อเทียนท่านขยับมือขยับมือลูกศิษย์ จ, จํานวนมากเลยใจไหลเข้าไปอยู่ในมือ ใจไหลเข้าไปอยู่ในมือเกิดไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องไหลไปอยู่ที่เท้าไหลไปอยู่ในลมหายใจมันก็ไหลเหมือนกันใจไม่ตั้งมั่นถ้าใจไม่ตั้งมั่นนะปัญญาจะเกิดไม่ได้จริงหรอกได้แต่เพ่งใจจะเข้าไปแนบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องสงบทีก็เกิดปิติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโคลงตัวใหญ่ตัวหนักมีสารพัดอาการที่แปลกแปลกกว่าปกติ หลายนะอาการของปิติคนลุกขนพอง บ, บ, บ, บูบูบลาบบนะเหมือนฟ้าแรบแรบแรบแรบอะไรเงี้ยนี่เป็นอาการที่ใจมัน ท, ทําสมถะก็ไปแช่ในอารมณานาน์นานานานๆแล้วจิตใต้สํานึกก็ทํางานปรุงอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วแต่มันจะชอบบางคนปรุงเห็นผีเห็นสางอะไรก็ได้นะบอกว่าผีหลอกยิงหลอกตัวเอง ค่อยๆสังเกตไปใจที่ตั้งมั่นใจที่ไหลไปวิธีหัดง่ายๆเลยหัดสังเกตจิตใจของเราอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดนะเดี๋ยวใจก็ไหลไปคิดเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็ไหลไปคิดดูออกไหมคุณเนี่ยฟังไปแล้วก็คิดไปสลับดูออกไหมแต่เราไม่เคยเห็นจิตที่ไหลไปนะั้นจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นจริงคุณลองดูท้องของยุบซิ ลองเคยทําดูฟองยุบไหมเคยใช่ไหมลองทําเหมือนที่เคยปฏิบัติลองเลยทําจริงๆลืมหลงพอ่อซะเนี่ยรู้สึกไหมใจเรารวมไปอยู่ที่ท้องใจเราเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องนึกออกไหมนี่แหละคือการทําสมถะละนะแล้วพวกเราชอบคิดว่าวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาจิตไม่ตั้งมั่นจิตไหลไปละไหลไปงั้นวิธีการที่ง่ายๆนะที่คุณจะดูก็คือจิตเราไหลไปเรารู้ทันว่าไหล อย่าดึงนะอย่าออกแรงดึงนะถ้าเราเห็นไหลไปแล้วเราดึงนะจะแน่นขึ้นมาเนะี่ยส่งใจไปไปดูอีกละรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไปดูให้รู้ว่าเราหลงไปดูแล้วมันแค่แค่เราดูโทรทัศนะ์หรือเราจ้องจอคอมพิวเตอร์ในนี้เหมือนมีจอคอมพิวเตอร์อันหนึง่งเราจ้องไปที่จอรู้สึกไหมเราถลําไปที่จอใช้ไม่ได้นะที่นับปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยพลาดนะพลาดตรงนี้เองจิตไม่ตั้งมั่น จะจิตตั้งแช่เข้าไปแช่นิ่งๆอยู่ที่ท้องเข้าไปแช่อยู่ที่ลมเข้าไปแช่อยู่ที่เทา้ารับใดจิตตั้งแช่มันได้แต่สมถะสงบไปเฉยๆเลยแต่ถ้าจิตตั้งมั่นนะมันจะเห็นเลยจิตอยู่ต่างหากนะความคิดก็ส่วนความคิดจิตส่วนจิตรูปส่วนรูปนามส่วนนามนี่ไม่ก้าวไกลกันดอกจิตหลุดออกจากโลกของความคิดเลยะแล้วก็ไม่ได้เพ่งกายไม่ได้เพ่งใจนะแต่รู้กายรู้ใจ รู้กายรู้ใจกับเพ่งกายเพ่งใจไม่เหมือนกันเวลาเราเพ่งกายเพ่งใจนะั้นเบื้องต้นเราเกิดอยากก่อนอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติเราก็จงใจกำหนดรูปกำหนดนามเราคิดว่าถ้าเอาสติไปกำหนดสติมีหน้าที่กำหนดถ้าเรียนอภิธรรมอย่างอาจารย์นัตตาจะทราบสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติเป็นความแปลว่าความไม่ประมาทความไม่หลงลืมความไม่เลื่อนลอย เราไม่เลื่อนลอยแต่จิตใจของเราชอบเลื่อนลอยรู้สึกไหมลอยไปลอยมาตอนนี้ลอยไปคิดแล้วนึกออกไหมจิตเราลอยไปคิดเวลาที่เราไม่ได้นึกเรื่องปฏิบัติจิตเราก็ลอยไปคิดก็เรียกว่าขาดสติเวลาเรานึกถึงการปฏิบัติเราก็ไปเพ่งใส่ลงไปจิตเราเคลื่อนไปจอนิ่งๆไว้อันนั้นไม่ใช่การรู้รูปนามแต่เป็นการเพ่งเพ่งรูปเพ่งนามเพ่งรูปเพ่งนามเป็นสมถะนะ หลายคนเข้าใจว่าถ้ารู้รูปนามแล้วก็ถ้ามีอารมณ์รูปนามแล้วต้องเป็นวิปัสสนาไม่จําเป็นนะทำวิปัสสนาเนี่ยต้องใช้อารมณ์รูปนามต้องรู้อารมณ์รูปนามอันนี้แน่นอนจะไปรู้อารมณ์บัญญัติหรือไปรู้อารมณ์นิพพานไม่ได้ไม่ใช่วิปัสสนาแต่สมถะเนี่ยใช่อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้กระท bon ั่งอารมณ์นิพพานเพราะใช้ทําสมถะได้นะพระริยะเจ้าทําสมถะโดยใช้อารมณ์ ร, รูปอารมณ์รูปนามก็ได้ ใช้บัญญัติก็ได้ใช้อารมณ์นิพพานก็ได้คนทั่วๆไปทำสมถะได้ดยใช้อารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่คิดนะกับรูปนามเพ่งรูปเพ่งนามเป็นสมถะงั้นอย่างที่เราเดินจงกรมแล้วใจเราไปแนบเข้าไปที่เท้านี่นะทำสมถะอยูนะ่แต่ถ้าใจของเราตั้งมั่นเราจะเห็นเลยตัวที่เดินนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะนี่เราเริ่มเห็นไตรลักษ Sır, ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่สักแต่ว่าเคลื่อนไหวสักแต่ว่าเป็นาธาตุมันรู้ด้วยใจรู้สึกเอาไม่ใช่คิดนะถ้าคิดใช้ไม่ได้มันรู้สึกเอาถึงความเป็นาธาตุของร่างกายรู้สึกเอาถึงความไหวของร่างกายจะไม่รู้สึกว่าเราไหวหรือว่ า, าธาตุนี้เป็นตัวเราเพราะเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้แล้วฉะนั้นไม่ต้องบริกรรมนะไม่ต้องบริกรรมเมื่อไร่บริกรรมเมื่อนั้ น, น, นตกจากวิปัสสนาทันทีเลยอย่างเรา มีสตินะสมมติเราใจลอยไปเรามีสติะระลึกได้ว่าใจลอยเนี่ยระลึกได้แล้วใช้ได้ต้งมีสติถ้ามีปัญญาก็จะต่อตามมาอีกเห็นเลยจิตจะใจลอยห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งไม่ได้ยแสดงความไม่เที่ยงแสดงอนัตตาได้แต่ถ้าใจลอยไปรู้ว่าใจลอยปุ๊บดึงไว้ปับ๊บนี่เป็นสมถะนะใจลอยแล้วใจเราก็ลอยตามมันไปด้วยเลยหลงไปนี่หลงไปนค่อยๆดูสภาวะนะ มาเรียนที่หลวงพ่อไม่ใช่เรียนปริยัตินะหลายคนไปคุยกันบอกหลวงพ่อประมวทสอนอภิธรรมหลวงพ่อประมมทไม่ได้เรียนอภิธรรมนะแต่หลวงพ่อพูดเรื่องสภาวะล้วนๆเลยอภิธรรมมันเป็นเรื่องของสภาวะล้วนๆต่างหากละ่นะงั้นไม่ใช่หลวงพ่อสอนอภิธรรมนะหลวงพ่อสอนแต่เรื่องสภาวะแต่บังเอิญบังเอิญอภิธรรมมันคือสภาวะนนี่สภาวะที่เราเห็นด้วยการปฏิบัตินะแต่สภาวะในตำราอันเดียวกันล่ะ จะสภาวะในตําราจะหยับนะหยับนะหยับหยับอย่างโทสะเนี่ยแยกได้ไม่กี่อย่างของเราแยกได้เยอะเลยขัดใจนิดหน่อย mm hmm. ใช่ไหมโมโหจนเห็นช้างเท่าหมูเนี่ยมีดีกรีด้วยดีใจเสียใจแต่ละอันนะจะกระจายออกไปโอ้มีเยอะแยะเยอะแยะเลยหัดรู้สภาวะเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดหัดรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่น งั้นหัดสองอันเนี้หัดรู้สภาวะไปเช่นใจเราลอยไปเรารู้ใจเราไปคิดเรารู้ใจเราไปเพ่งเรารู้นะใจนี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหมได้หลวงพ่อบอกแล้วนึกออกไหมครดูไปเรื่อยๆนะพอใจเราไหลไปอย่าไปตั้งใจดูนะห้ามไปจ้องไว้ก่อนต้องตามดูต้องตามดูนะตัวนี้ก็เป็นหลักการสําคัญสังเกตไหมหลวงพ่อพูดบนไปบนมาแต่เชื่อเหอะพวกเราเก็บไม่หมดหรอกเก็บไม่ได้หมดหรอก วันหนึ่งวันหนึ่งเก็บไปได้นิดนิดหน่อยน่อยนะเหมือนเราโยนเพชรโยนทองให้ตะกร้าหนึ่งนะได้คนละนิดนิดหน่อยหน่อยแต่เก็บไปเรื่อยๆแื่เดี๋ยววันหนึ่งเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดแล้วจะรู้ว่าง่ายที่สุดเลยโง่แท้ๆเลยที่ทาให้ยากอ่ะมันง่ายสุดๆเลยนะไม่ได้ทําอะไรอ่ะไม่ได้ทําอะไรเราหยุดความปรุงแต่งของจิตลงไปนะจิตมันหยุดปรุงแต่งเพราะมันฉลาดขึ้นมนแค่นั้นเอง เมืจิตมันหยุดปรุงแต่งเพราะมันมีความรู้ความฉลาดนันนบมากผลนิพพานก็เกิดแล้วที่มากผลนิพพานเกิดไม่ได้ก็เพราะปรุงแต่งไม่เลิกนิพพานเป็นวิสังขารเป็นความไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นความไม่อยากเป็นวิราคะไม่อยากเราอยากปฏิบัติแล้วเราก็ปรุงแต่งการปฏิบัตินะกําหนดรูปกําหนดนามอะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการบรรลุมากผลนิพพานเลยนั้นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาล้วนๆเลย วิธีปฏิบัติที่ง่ายๆก็คือมันปรุงขึ้นมารู้ว่าปรุงการปรุงแต่งมีสองอันนะอันหนึ่งขันมันปรุงแต่งขันมันปรุงแต่งนะขันมันเป็นสังฆารธรรมเป็นสังคตธรรมขันมีหน้าที่ปรุงแต่งอยู่แล้วเราก็ชอบไปทํำยังไงขันจะไม่ปรุงแต่งเช่นทํำยังไงใจจะไม่คิดใจมีหน้าที่คิดนะไม่ใช่ไปปรุงแต่งไม่ให้คิด นั้นที่ว่าพ้นความปรุงแต่งไม่ใช่ไปทําขันไม่ให้ปรุงแต่งนะขันมีหน้าที่ปรุงแต่งเพราะขันเป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่งหน้าที่เราก็คือรู้ขันตามความเป็นจริงแล้วอย่าไปปรุงแต่งขันตัวนี้ต่างหากที่สําคัญเราอย่าไปปรุงแต่งขันซะเองอย่างเช่นจิตมันปรุงกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันเช่นมันปรุงความโกรธขึ้นมาเรารู้ทันนะไม่ต้องไปปรุงมาทํายังไงจะหายโกรธปรุงว่าทํำยังไงจะไม่โกรธอีกอันนี้เราปรุงละ เราปรุงเราไปแทรกแซงขันแะอย่าแทรกแซงขันนะให้รู้ขันตามที่เขาเป็นเช่นเรานั่งนั่งอยู่ใจลอยไปไม่ต้องฝึกว่าทํายังไงจะไม่ ใ, ใจลอยยังไงก็ลอยนะเพราะว่าขันเขาจะปรุงแต่งความใจลอยมันก็เรื่องของเขาพอ<ม>ขันปรุงความใจลอยลเราก็ปรุงไม่ให้ใจลอยนะรีบกําหนดใหญ่รีบบริกรรมใหญ่รีบเพ่งใหญ่จะไม่ให้ใจลอยหารู้ไม่ว่าตรงนั้นนะกิเลสเกิดเรียบร้อยแล้วตรงที่กลัวจะใจลอยกิเลสก็เกิดแล้ว ตรงอยากไม่ให้ใจลอยกิเลสก็เกิดแล้วตรงที่ลงมือประครับประคองไม่ให้หลงไปนั่นก็ทําไปด้วยอํานาจวงการของกิเลสอีกนั่นแหละนั้นธรรมะจริงๆง่ายสุดๆเลยนะง่ายมากให้รู้ความปรุงแต่งของกายของใจนี่แหละมันปรุงของมันเช่นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปฝืนมันนะมันจะยืนมันจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ต้องไปห้ามมันเราไม่ใช่คนง่อยนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆต้องไปนั่งนิ่งๆห้ามกระดุกกระดิกให้มันเมื่อยขึ้นมาแล้วคอศึกษาธรรมะจากความเมื่อย ทำไมไม่ศึกษาธรรมะจากความจริงจากของจริงๆริ ง, รงไปแต่งขึ้นมาใจมันไม่เชื่อหรอกนะว่ามันเป็นทุกข์มันรู้อยู่ตลอดเวลาเลยว่านั่งไปนานแล้วเมื่อยเนี่ยฉันขยับเมื่อไหร่ก็หายเมื่อนั้นมาชั้นทําได้นะที่ที่เมื่อยขึ้นมานี่ก็เพราะฉันทําขึ้นมาอีกเลยแทนที่จะเห็นใจรักนะครับรู้สึกว่าเราทําได้เรานั่งไปเรื่อยให้เมื่อยในใจลึกๆเราบอกแหมเมื่อยเมื่อยเองอะ่ะเราพูดเอาว่ามันเมื่อยเองอะ ในใจลึกๆเราฉันนั่งเฉยๆยสิแกถึงเมื่อถ้าฉันขยับเมื่อไหร่แกก็หายเมื่อฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้นะไม่ใช่ฉันทําไม่ได้นะง่ายมากนะธรรมะง่ายสุดๆเลยครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปศึกษาด้วยแต่ละองค์แต่ละองค์ะงนะแต่หลวงพ่อก็เลือกนะไม่ใช่ไปมั่วๆนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยส่วนมากท่านไม่ชอบปรุงแต่งอะไรละ อันนจะบอกง่ายนะง่ายบางองค์ก็บอกภาษาอีสานง่ายแท้นออกง่ายแท้นอ่อย่างนี้นะนะบางองค์ก็พูดภาษาภาคกลางมันง่ายนะประมว่ง่ายจริงๆนะนสมัยที่เรายัางเที่ยวค้นคว้าหาอยู่เราก็รู้สึกว่ายากสินี่ภาวนาไปนะวันไหนรู้สึกยากน ะ, ฉะเฉลียวใจถึงคําครูบาอาจารย์ไอ้วันนี้ทําไมรู้สึกภาวนายากผิดปกติหยุดเลยต้องผิดแล้วละ่ะต้องผิดแล้ว ผิดแล้วห้ามขยันผิดแล้วขยันดันทุลังไปเรื่อยนะยิ่งหลงหนักเข้าีกมันง่ายมากๆให้ตาเรามองเห็นรูปไปยากไหมหตามองเห็นรูปถ้าตาไม่บอดก็ไม่ยากอะไระหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นให้ลิ้นรู้รสไปะไม่ต้องเลือกรสด้วยนะไม่ใช่ว่าต้องกินแต่ของแม่อร่อยถึงจะดีนะไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องเลือกด้วยว่าจะต้องดูแต่ของไม่สวยดูของสวยก็ได้ บางคนจะเลือกแต่ของอกุศล น, นะ <c oughs> นึกว่าจะภาวนาต้องหาแต่อาคุลวิบาศรู้ไหมการที่เราสัมผัสอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายนะั้นเกิดจากอาคุลวิบากอกคศลนิบากในปัจจุบันเวลาลงมือปฏิบัติเราเครียดหนักแน่นแข็งอะไรขึ้นมาอกุศลตัวไหนรู้ไหมให้ผลอยู่ทิฏฐิให้ผลมีความเห็นผิดว่าการปฏิบัติต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้เพราะมีมิจฉาทิฏฐิหนะถึงได้ลงมือทําตัวเองให้ลําบาก ไม่ต้องกรชาติก่อนนะนะกรรมในขนาดที่ขับรถไปเข้าวัดนี่แหละนะ <c oughs> จริงๆง่ายนะง่ายมากปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาเมื่อ <c oughs> กระทบอารมณ์ตามธรรมดาแล้วก็ปล่อยให้ใจเขาเกิดป ฏ, ฏิกิริยาตามธรรมดานะ <c oughs> เช่นเห็นสาวสวยขึ้นมาใจมีราคะขึ้นมา <c oughs> ก็รู้ไปว่าใจมันมีราคะใจตะกี้ไม่มีตอนนี้มีละ นี่ก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้ลนะของง่ายๆแค่นี้ <c oughs> เห็นหน้าเพื่อนเดินมาดีใจเห็นไหมใจตะกี้ไม่เฉยๆตอนนี้ดีใจขึ้นมาไปคุยกับเพื่อนนะเ <c oughs> พื่อนมันขัดคอดีใจหายไปแล้วนะเป็นโทสะละใจพลิกไปเรารู้ไปอย่างที่เป็นสัมผัสโลกไปอย่างที่มันเป็นแล้วก็ปล่อยให้ใจนี้เกิดความรู้สึกไปอย่างที่มันเป็นเกิดปฏิกิริยาไปอย่างที่มันเป็นเราจะได้เรียนรู้ความจริงของมันมันทํางานของมันได้เองมันทํางานทั้งวันทั้งคืน ทำงานทั้งวันทั้งคืนนี่มันแสดงความไม่เที่ยงมันทนอยู่ในอันใดอันหนึ่งไม่ได้มันแสดงความทุกข์ให้ดูมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้มันแสดงอนัตตาให้ดูนี่ดูจากของจริงดูง่ายๆดูไปเรื่อยๆนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีง่ายๆแต่ถ้าคิดแล้วต้องทําอย่างโน้นคิดว่าต้องทําอย่าง น, น, างางนี้ต้องเฉลียวใจนิดหนึ่งนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะแต่อาจารย์ชอบสอน เราพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะว่าเดินจงกรมเนี่ยต้องยกเท้ากี่จังหวะจะขยับมือจะต้องรู้กี่จังหวะไม่มแีแค่อูบายเท่านั้นเองอูบายที่อาจารย์ทำมาอาจารย์เคยทดลองด้วยอูบายอย่างนี้แล้วสติเกิดบ่อยอาจารย์ก็บอกนี่ดีวิธีนี้ดีอาจารย์ก็เอามาสอนถ้าจริตนิสัยของเราตรงกับอาจารย์นะเราทําตามอาจารย์ก็ได้ผลถ้าจริตนิสัยไม่ตรงกันก็ไม่ได้ผลทําอย่างเดียวกันก็ไม่ได้ผล หลวงพ่อบอกให้อย่างหนึ่งนะบอกซื่อๆบอกโง่ๆเลยนะแบบเทกระเป๋าให้เลยทางใครทางมันทางใครทางมันนะกรรมฐานเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะแต่ต้องอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องแท็กติกเรื่องกลยุทธ์เรื่องอู่บายเรื่องเฉพาะตัวทั้งสิ้นเลยมันต้องรู้ตัวเองว่าทํำยังไงแล้วสติเกิดบ่อยก็ทําอย่างนั้นแหละตอนนี้สติเกิดบ่อยไปแล้วชักมั่วๆแะ้ะ สติเกิดไปเกิดมาเลยชักไม่เกิดเลยฟุ้งซ่านแทนแล้วก็ต้องแยกขายต้องรู้ทันว่าฟุ้งไปแล้วฟุ้งไปแล้วเราควรจะทํำยังไงดีเราก็ต้องรู้ตัวเองอีกจะตามรู้ความฟุ้งด้วยวิปัสนาหรือทําความสงบด้วยสมถะนี่หรือว่าเครียดจัดลืมมันไปเลยไปร้องเพลงสักเพลงหนึ่งก็ได้นะบางคนเครียดจัดมาหาหลวงพ่อติดกรรมฐานมาเครียดใกล้บ้ามาแล้วความจริงบ้าแล้วล่ะหนะลวงพ่อก็พูดให้สุภาพหน่อย หลวงพ่อบอกร้องเพลงเป็นไหมร้องให้ฟังเพืเพลงหนึ่งให้ร้องเพลงพราะี่ชอบร้องเพลงร้องเพลงแล้วสบายรู้สึกไหมเมื่อกี้เครียดตอนนี้สบายไหมสอนให้กลับมาดูแล้วมันง่ายนะจริงๆทางใครทางมันทางใครทางมันทางเฉพาะตัวทางนี้ต้องเดินคนเดียวพระเจ้าสอนนะเอกายนะมัตตทางทางสายเดียวทางของท่านผู้เป็นเอกไม่มีใครเหมือน ทางที่ต้องเดินคนเดียวทางเฉพาะตัวแปลได้ไหลายในยะเอกายนะมะัมมักงั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องเรียนแบบกันหลายคนมาถามหลวงพ่อทําไมไม่จัดคอร์สพระพุทธเจ้าไม่จัดน่ยหลวงพ่อจะกิ่งกว่าท่านได้ยังไงพระเจ้ามีแต่สอนสอนสอนแล้วก็ไล่นะโน่นคนไม้นั้นเมือนว่างนั้นภูเขานั้นถ้านั้นป่าไปทําเอาเองทําไมไม่จัดพร้อมกันเพราะว่าจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันทางใกล้ทางมัน คนคนนี้เขาควรจะภาวนากลางคืนเราก็บอกสามทุ่มต้องนอนหรือสี่ทุ่มต้องนอนอา้าวเขาจะต้องภาวนากลางคืนเขาถึงจะดีเราไปทําลายโอกาสของเขาเขาแล้วใช่ไหมต้องเหมือนกันบางคนกินข้าวเย็นแล้วดีอา้าวบางคนไม่กินแล้วดีมันก็ต้องดูเป็นคนๆ น, นะคนตัวใครตัวมันแหละทางใครทางมันบางคนนอนมากๆดีนะบางคนนอนมากไม่ดี บางคนกินทุกมือดีบางคนอดอดซะบ้างดีต้องดูตัวเองทางใครทางมันไม่ใช่ถึงเวลาเหมือนการเลี้ยงไก่ของพวกซีพีนะถึงเวลาต้องกินก็กินเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรถึงเวลากินต้องกินนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเคยเห็นเขาเลี้ยงงูไหมเคยไปดูที่สัว์พามั้ยถึงเวลาเลี้ยงงูนะงูงูตัวนี้ตามอยู่ ดูตารางโอ้ตัวนี้ถึงไม่ายกินแล้ว็นลากหัวมันมามันก็มาพันพันพันนะจับบีบปากให้อ้าปากเอาชีมชีพเนื้อนาะงกระทุ n g ใส่หนึ่งก้อนสองก้อนอครบแล้วแกะแกะแอโยนไปนะธรรมะไม่ได้เป็นอย่างนี้ธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางใครทางมันนะไม่ใช่ต้องทำเหมือนเหมือนกันตลอดเวลาหนะลวงพ่อชาตรสอนนะให้ดูตัวเอง ไปกินแค่ไหนพอเหมาะจะนอนแค่ไหนพอเหมาะคำว่าพเหมาะก็คือเกิดสติเกิดสติบ่อยนะบางคนอดนอนแล้วซึมเสื่องคล้ายๆผีตองเหลืองไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้ไม่ดีบางคนนอนมากไปก็ไม่ดีต้องดูตัวเองบางคนถนัดเดินก็เดินเอาบางคนถนัดยืนก็ยืนเอาบางคนถนัดนั่งก็นั่ง แต่ถ้าถนัดนอนต้องนั่งนะถนัดนอนไม่เอานะยกเว้นไปข้อหนึ่งเเพราะว่าตามสถิตินอนบรรลุมีน้อยตามสถิติส่วนมากมีแต่นั่งกระเดินมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีอย่างพระนนท์นะคนบอกว่าท่านทำภาวนาทั้งคืนเหนื่อยพรุ่งนี้จะไปสังคยาท่านก็เลยนอน คำว่านอนในในยะของพวกเราคือเลิกปฏิบัติแต่หลวงพ่อยืนยันเลยคืนสุดท้ายนั้นพระนนท์ไม่เลิกปฏิบัติหรอกจิตที่เข้าไปถึงขั้นตะลุมบอนมันเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้มันทำงานอัตโนมัตินี้ท่านท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าพระนนท์เนี่ยยังราตรีสุดท้ายเนี่ยให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมาก อันนี้ถ้าอาจารย์อภิธรรมฟังก็จะสะดุ้งอีกแล้วทําไมพระนรนไปอยู่กับกายยัคตาสติฟังแล้วไปทําสมถะแต่ในกายยัคตาสติสูตรนะเนื้อหามันเป็นอันเดียวกับกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะงั้นคืนสุดท้ายนั้นพระนรนรู้กายเป็นส่วนมากนะแล้วส่วนน้อยไปรู้อะไรตอบได้ไหมส่วนน้อยก็คือเผลอไปสินะเผลอไปบ้าง จิตรวมเข้าหาความสงบบ้างเป็นระยะระย ะ, ะย่ไปอันนี้ในคำภีไม่มีนะนิสรุปด้วยการปฏิบัติเอานิสติมันัตโนมัติแล้วนี้ท่านเห็นว่าพรุ่งนี้เช้าต้องไปสังคยนาต้องนอนสัหน่อยต้องพักสัหน่อยท่านก็เอ็นตัวลงบอกเท้าไม่ทันพ้นพื้นสีสาม่ทันถึงหมอนก็เป็นท่ารหัส ในพระไตรปิฎกไม่มีพูดตรงไหนเลยว่าท่านเห็นว่าพรุ่งนี้จะต้องไปสังคยนาท่านก็เลยเลิกปฏิบัติแล้วเดินไปนอนไม่มีคําว่าเลิกปฏิบัติเลิกปฏิบัติมันเป็นความรู้สึกของพวกเราเองที่ชอบแบ่งชีวิตเป็นสองส่วนชีวิตนี้เป็นเวลาปฏิบัติช่วงนี้เป็นเวลาไม่ต้องปฏิบัติตราบใดที่ยังรู้สึกชีวิตมีสองส่วนนะชาตินี้ยังไกลต่อมรค น, นิพพานแต่ถ้ารู้สึกชีวิตนี้มีแต่เรื่องปฏิบัติแต่ว่า เผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้า ง, อ, างอันนี้แหละใกล้กับมรคนิพพานแต่ยกเว้นนะคนที่ต้องทํามาหากินต้องทํางานที่ต้องคิดนะในขณะนั้นปฏิบัติไม่ได้หรอกก็ต้องยกเว้นไปนี่จริงๆง่ายง่ายๆให้เราคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะอย่าใจลอยไปใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยเรารู้ยิ่งใจลอยบ่อยยิ่งดีอย่าใจลอยนานใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปเรื่อยใจจะค่อยๆตื่นขึ้นตื่นขึ้น ฝึกไปนะฟังหลวงพ่อพูดฟังยากวัะธรรมะมันรู้ไม่ได้ด้วยการฟังแต่อดทนฟังไปนะพอสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดขึ้นมาจะรู้แล้ง่ายง่ายง่ายสุดๆง่ายที่ยากก็เพราะเราคิดมากคิดมากยากนานหลวงพ่อบอกคิดมากยากนานแต่ก่อนคนชอบหัวเราะนะนึนกว่าหลวงพ่อพูดเล่นควจริงไม่มีพูดเล่นนะพูดแต่ละเรื่องเนี่ตรงๆสภาวะทั้งนั้นเลย ยังบอกในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวไม่ได้พูดเล่นนะแลวไม่ได้ดูถูกใครด้วยในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงถ้าไม่หลงก็เพียงเอาทำได้แค่นั้นเองทำอย่างอื่นไม่เป็นรู้ตัวไม่เป็นเบอร์สองใจลอยไปทราบไหมเบอร์สองไหลแวบไปทีหนึ่งจะฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องต้องทนทนนะฟังแล้วฟังอีกฟังแล้ช่วงหนึ่ง มีบางคนฟังจ น, นีระทั้งตื่นขึ้นมาเลยก็มีตื่นเต็มเหนียวเลยนะหมายถึงได้ดีไปเลยเบอร์นหนึ่งเป็นไงเบอร์นหนึ่งช่วยส่งไปหนอะเอเบอร์ยี่สิบเอ็ดอะ่ะเมื่อกี้พอดีโยมนี้บางเลยเห็นแต่เบอร์นหนึ่งพอเอาซีดีหลวงพ่อไปฟัง่ะครับแล้วก็เคยมาไหมเคยมาอยู่ครับ มันมีช่วงหนึ่งที่เป็นมีสติรู้ตัวแต่ว่ามันรู้สึกว่าตัวเองแบบมันเป็นคนที่ไม่ค่อยดียามากเลยนั่นแหละดีแล้วจริงๆแล้วแต่เดิมเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีนะมาภาวนากับหลวงพ่อสติตัวจริงเกิดเราจะรู้ได้หาคนชั่วเท่าเราหายากนะมันชั่วทั้งวันเลยจันน้าตารู้สึกไหมชั่วทั้งวันเดี๋ยวก็แวบ แวบๆบแบบไปเรื่อยนะแวบขบองเราเองก็เผลอๆไปแว บ, บไปแวบบมาก็าไม่ชอบอบบ น, นี้แวบบไปแวบบมัไม่ได้อย่างใจโมโหอีกลวนะวเนี่ยให้คอยรู้ไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะใจไม่ค่อยตื่นขึ้นมาแล้วล่ะหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยที่เราตื่นขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดเห่นไหมนะ ถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตหนีไปคิดจะตื่นปั๊บเลยเพราะว่าตรงที่คิดมันฝันไปแล้วพอมันไม่ฝันมันตื่นขึ้นมาในตำราไม่มีนะนี่ตำราเขียนไว้คร่าวๆแต่ถ้ารหัสดูสภาวะนะโอ้สนุกการศึกษาธรร ม, มนะน่าสนุกมากเลยมีความสุขด้วยสติเกิดก็มีความสุขนะใคยรู้สึกไหมพอรู้สึกตัวขึ้นมามีความสุขรู้สึกบ้างยัง รู้สึกไหมบางทีก็มีความสุขโวยขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรใจอยู่ๆก็มีความสุขแป๊บข้มานุ่มๆโอ้สบายสติมันเกิดจิตก็เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศล ม, มีความสุขจิตมีสมาธิก็มีความสุขจิตตั้งมั่นแต่จิตที่ตั้งมั่นก็มีที่ผิดเหมือนกันนะ ตั้งแช่น่ยผิดแน่นอนนะแต่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าตั้งแรงเกินไปก็ผิดจงใจตั้งก็ผิดอีกแล้วเป็นการที่หลวงปู่ดืนที่เรียกว่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้เทนะ่าตั้งนุ่มนวลสบายเนี่ยสภาวะเหล่านี้มีมากมายนะต้องค่อยๆฟังค่อยๆเรียนนะทําไมหลวงพ่อไม่รวบรวมลดสอนทีเดียวเพราะเราจะมองไม่เห็นนะเวลาเราทํากรรมฐานเราจะค่อยๆเรียนไปแล้วเราก็รู้จักสภาวะเพิ่มขึ้นทีละอย่างสองอย่าง ค่อยๆเรียนไปอย่างใจที่ตั้งมั่นเนี่ยตั้งแข็งไปก็มีนะตั้งพอดีก็มีของคุณเบอร์ยี่สอ็อ่ะมันตั้งแข็งเกินไปนะมันตั้งแข็งเกินไปค่อยๆหัดสังเกตไปนะว่าทำไมหลวงพ่อบอกว่ามันตั้งแข็งเกินไปไปหัดสังเกตเอาบางคนจะให้หลวงพ่ออธิบายว่าเป็นยังไงครับตั้งแข็งเกินไปแล้วตั้งแข็งพอดีพอดีอยู่ตรงไหนเนี่ย มันอธิบายไม่ได้นะเหมือนมาถามหลวงพ่อว่าแอปเปิ้ลรสชาติเป็นยังไงไม่รู้จะพูดยังไงนะมันต้องรู้รสชาติด้วยตัวเองนั้นธรรมะเนี่ยเห็นสภาวะแล้วมีรสชาติมากเลยสนุกหลวงพ่อนะภาวนาตั้งแต่เจ็ดขวบเจ็ดขวบนี่ทาแต่สมถะทำอนาปนานสติยี่สิบงปีนั้นเรื่องสมาธิก็เล่นมานานแต่ไม่เกิดตัญญา เห็นพวกเรารุ่นหลังๆมองตามไปพักพวกที่เดินตามมาข้างหลังจำนวนมากเลยติดสมาธิที่น่าอัศจรรย์ก็คือพวกที่มาจากสำนักที่บอกว่าทำวิปัสสนานะแล้นแหละติดสมาธิเยอะนะเนี่เนเื่องน่าอัศจรรย์เลย mm hmm. นี่พอมหัดทำวิปัสสนานะอายุยี่สิบเก้าไปหาหลวงปู่ ด, ดูลยี่สิบเก้าไปหาหลวงปู่ ด, ดูลยี่สามคุมพาสองห้าหมายจำแม่นนะ ขอแต่งงานกับภรรยาวันไหนจำไม่ได้อย่าไปบอกเขานะไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าวันที่เจอหลวงปู่ดูลนครั้งแรกเนี่ยปิ้งปิ้งเนี่ยจำได้นะยิบสามกุมภาสองห้าตั้งแต่นั้นเนี่ยดูจิตตลอดสนุกที่จะดูไม่ใช่บังคับครูบาอาจารย์บังคับให้ดูไม่ใช่นะ หลวงปูดูไม่เคยบอกหลวงพ่อนะได้โปรดดูไปเถินนะดูแล้วจะดีนะดูแล้วจะมีความสุขนะไม่มีนะมีแต่สอนบอกว่าให้ไปดูจิตเนาะสอนเท่านี้นะไม่เหมือนหลวงพ่อนะได้โปรดเธอดูนะดูนะง่ายนะไม่ยากหรอกดูแล้วก็มีความสุขนะความพ้นทุกเป็นลําดับลําดับเนี่ยอินทรีย์ที่แก่อ่อนกว่ากันมันเป็นอย่างงี้พอหลวงพ่อได้ยินคำว่าดูจิตนะหลวงพ่อมาคอยหักดูจิต โอ้สนุกน่าดูเลยทำไมจิตเราแต่ละวันไม่เหมือนกันสนุกที่ได้เรียนรู้ธรรมะนะสนุกที่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้รู้สึกลาบากที่ได้เรียนรู้กายรู้ใจนะการที่เรามีความสุขมีความสนุกในการรู้กายรู้ใจก็คือมีฉันทะที่จะรู้แล้วมันมีความสุขมีความพอใจที่ได้รู้วิริยะเกิดเองขยันดูเพราะว่าอยากดูชอบดูดูแล้วมีความสุขชอบดูดูทุกวันไม่มีใครสั่งดูไม่เลิกเลย จิตใจก็คอยจดจ่อการรู้การดูนี่เรียกว่าจิตตะวันวันนะไม่คิดเรื่องอื่นแล้วนะใครจะยังไงไม่สนใจถ้าพูดหยาบๆยาบช่างแม่มานะใครจะทำอะไรสนใจอย่างเดียวเรียนรู้ตัวเองใจนี่อ่านหนังสือนะก็ไม่ได้อ่านเรื่องอื่นไปอ่านพระไตรปิฎกนั่งอ่านอยู่ในธรรมเนียบมีห้องสมุดของสำนักเล ข, ขานายกนะเอาพระไตรปิฎกมาครั้งละสองเล่มบาลีเล่มหนึ่งไทยเล่มหนึ่ง มาทั้งดูไปบางทีก็เห็นอ๋อมันแปลไม่ตรงกันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีที่มีคำเกินเกินมั้งภาษาไทยมีอย่างทุกให้กําหนดรู้เย่างนี้ไหมบาลีไม่มีเนี่ยเวลาอ่านหนังสือก็ อ, อ่านหนังสือธรรมะอ่าถึงเวลาวันหยุดละต้องไปเที่ยวซะหน่อยไปเที่ยววัดไหนดีนะ <c oughs> ไปเที่ยววัดไหนดีไปหาอาจารย์องค์ไหนดีคแาวนี้นี่ไหมใจมันเคล้าเคลียร์อยู่กับธรรมะ นี่เรียกว่าวิมังสานะเคล้าเคลียอยู่ไม่ไปไหนหรอกถ้าใครนะมีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาท้าเรียกว่าอิทธิบาทสี่ทำนี้แหละทาให้ประสบความสําเร็จเร็วเร็วมากวไม่มีฉันทะต้องเขี่ยวเข็นต้องอ้อนบอนให้ภาวนานะไม่ไหวนะสู้ไม่ไหวอินทรียอ่อนไปต้องขยันดูของเราเองครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเคยบ่นให้หลวงพ่อฟังไม่ได้บ่นหลวงพ่อนะท่านบ่นลูกศิษย์ท่าน โอ้ยเหนื่อยสอนมันนะยากยากยิ่งกว่าเข็นควายขึ้นภูเขาบอกไม่ใช่ครับเขาบอกเข็นครกโอ้ยไอ้นี่ควายครกมันไม่สู้นะควายมันสู้นะมีนะสอนกรรมฐานมันจะกัดเอาตายอะ่ะมีนะเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะก่อนหลวงพ่อบวชนานนะใครๆก็ยกย่ อ, องภาวนาดีโอ้ดาวเด่นดาวเด่นดวงเอกเกิดละ อัจฉริยะในรอบหลายร้อยปีมาเกิดแล้วหลวพ่อจ้าเอกครับเฮ้ยนี่มันภาวนาไม่เป็ น, นี่ชมันเขาไปได้ยังไงโอ้โหประโยชน์อย่างนี้นะภาวนาไม่เป็นนะให้หัดเจริญสตินะยังทำไม่ถูกหรอกนะโกรธมาตลอดเลยโกรธคล้ายๆเรื่องอะไรนะมาขันที่ยา <c oughs> โกรธโอ้สอนกรรมฐานมันยากนะเราสอนด้วยใจซื่อๆตรงๆน่าหวังให้ได้ประโยชน์จริงๆบางคนมันโกรธนะโกรธ เดี๋ยวนี้อะไต้องค่อยๆลดหย่อนหน่อยต้องอ่ำอๆอคำ ค, ค้อนหน่อยคนไหนหน้าตาดุๆนะต้องพูดปลอๆหน่อยเดี๋ยวมันลุกขึ้นเตะเราแก่แล้วสู้ไม่ไหวรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขรู้ไปใจเรามีความสุขสังเกตไหมใจค่อยๆนิ่งแล้วรู้สึกไหมใจค่อยๆนิ่งลงแล้วดูออกไหเนี่หัดดูของจริงนะหัดดูไปอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เลยไม่ค่อยได้ไล่จี้เท่าไหร่คนเยอะจี้ไม่ไหวพี่ชัยดีแล้วแล้วอีกคนไปไหนละออกอยู่นี่วันนี้เป็นไงใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหมใจกระจายไปนิดหนึ่งนิดเดียวนะไม่เยอะอย่าดึงนะอย่าพยายามดึงคืนมาให้รู้ว่ากระจายออกไปเท่านั้นนะเบอร์สามสิบหนีไปคิดแล้วทราบไหมให้รู้ว่าหนีไปคิดนะรู้เฉยเฉยไม่ห้าม ไม่ต้องไปดึงคืนนะรู้สึกไหมตอนนี้กําลังบังคับตัวเองแล้วข่มใจผมตัวเองมันนิ่งกว่าความเป็นจริงเลยไม่บังคับให้นิ่งปล่อยให้เขาทํางานแล้วตามรู้เข้าไปจนเห็นความจริงเลยเขาปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนเพราะเขาเมันไม่เที่ยงบังคับเขาไม่ได้ เ, เขาไม่ใช่ตัวเรานี่ดูไปเรื่อยอย่างเนี้ยโอ้ง่ายตายไปเมืร์ยนะี่สิบเอ็ดใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมาหาดอย่างนั้นนะ ไอโนโผู้หญิงเนี่ยหันไปหัวเราะเขา่ลืมตัวเองอ่ะรู้สึกเปล่าโน่นผู้ชายที่นั่งถัดไปนั้นทำอะไรอยู่ตอนเนี้นั่งส่งไม่เปนะ็นนี่ที่นั่งติดกับคุณนั่นแหละเมื่อกี้นี้ทำอะไรนึกออกไหมนะหลงไปนะอ้ามิงส่งไปเห็นไหมตอนที่ส่งไม่เนี่ยเราลืมตัวเราเองเราลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหม เ, เรียนกรรมฐานเรียนอย่างนี้นะ หัดดูสภาวะไปเมื่อกี้หนีไปคิดแวบหนึ่งดูออกไหมไหลายแวบไปคิดเฉยๆเนี่ยไปอีกแว็บแล้วรู้สึกไหมหัดดูไปอย่างนี้หัดดูไปเบอร์ยี่สิบเอ็ดอย่าคิดมากคิดมากยากนานลงไปในโลกของความคิดหัดรู้สึกไวอ้าวมิม้งวันนี้เป็นไงจิตใจเออ บ, บังคับน้อยกว่าเช้าเมื่อวานคะ่ะแต่ แล้วก็นอ iscilla, อ้อยกว่าเมื่อวันอังคารค่ะวันอังคารบังคับต อ, น, อนสายๆบังคับมากอ่าจู่จู้ส่งมาข้างหน้าเลยพาแม่มานี่ก็พวกชวนป่วยปีแบบต่อเลี้ยงแม่ครับนายงย่อมก็หลังจากกลับจากวัดก็ดีอยู่สามสี่วันนะครับมันรู้สึกมีอะไรบางอย่างแยกออกมาแล้วเวลาเกิดเวทนาทางอารมณ์มันไปแตะแผ่วๆครับ จูบพูดช้านี่เถอะเสียงมันกล้องครับคือรู้สึกมันเหมือนมีอะไรแยกออกมาตัวหนึ่งนะครับพระอาจารย์แล้วเวลาเกิดเวทนาหรือผัสสะมันไปแตะแผ่วๆมันอะไรนะมันไปแตะแผ่วๆครับอแล้วก็ดีอยู่สามสี่วันแล้วก็เสืมม่อมลงไปครับอืครับไม่ได้ฝึกเอาดีหรอกนะครับฝึกให้เห็นเลยของมันเสื่อมดีบ้างไม่ดีบ้างมันไม่เที่ยงฝึกให้เห็นอย่างงี้นี่พวกเราอยากได้ดีช่วงไหนภาวนาแล้วจิตใจดีเราพอใจ เราถือว่ากูเก่งกูเก่งช่วงนี้ดีชมตัวเองด้วยนะไม่มีใครชมก็ชมเองช่วงไหนภาวนาไปแล้วจิตใจแย่ลงโอแย่แล้วหมู่นี้เราไม่ดีแล้ะที่จริงภาวนาเพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ภาวนาให้มันเที่ยงมันดีได้มันก็เสื่อมได้มันจเจริญได้มันก็เสื่อมได้นะดีได้ก็เลวได้สุขได้ก็ทุกข์ได้แต่อย่าไปช่วยมันทุกข์นะอย่าไปช่วยมันชั่วนะให้รู้มันให้มันเสื่อมไปเองเสียหายไปเองแล้วค่อยรู้ต้องขยันดูนะ ถ้าไม่ขยันดูแล้วมันเสื่อมเนี่ใช้ไม่ได้อินพุตเนี่ยต้องผงชี้ไว้หมายถึงทุกวันภาวนาทุกวันไม่ละเลยแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันสักวันอันนี้ดีไม่ต้องเหมือนกันมันจะสะท้อนให้เราเห็นเลยเราทำอะไรไม่ได้จริงจิบใช้ได้แล้ววันนี้จิตเมื่อกี้ใช้ได้เมื่อกี้หลงอันนะแต่ว่าโอเคเวลาที่เราหลงไปเลยมันก็ไม่เพ่ง งั้สภาวหนะ้าที่หลักๆนะภาวน า, าไปช่วง ม, มีสภาวะเหลืออยู่สามอันไม่หลงไปเผลอไปนะก็รู้สึกตัวตรู้สึกตัวแล้วก็ไปเพ่งหน้อยไปกําหนดไปประคองไว้จะมีสามันเวียนใช่ไหมฝึกไปเรื่อยจะมีอยู่เหลืออยู่สามันเนี้ยเผลอแวบพอรู้สึกก็ดึงเลยตรงเผลอไปก็สุดโต่ไปข้างชั่วเรียกว่ากามสุขาริการุโยคตรงที่รู้สึกตัวนี่ใช้ได้ดี ตรงที่เพ่งเนี่ยสุดโต่งไปข้างบังคับเรื่องอัตตะกิลมัฐานุโยคนักปฏิบัติก็คือนักทาอัตตะกิลมัฐานุโยคนั่นเองส่วนมากบังคับเกือบร้อยละร้อยนะหลวงพ่อพูดอย่างสุภาพนะจริงๆพันคนจะหารู้สึกตัวสักคนก็ยากแล้วอาใครจะคุยอะไรเชิญอาหวานมากไปอ่ะใครส่งไม้หน่อยสั้นๆหวานคุยยาวเดี๋ยวจิตเสีย สัสเวลาคุยก็เสียอยู่แล้วเจ้าค่ะกล <c oughs> ัวหลวงพ่อเนาคะค่ะเอออยากกลัวหลวงพ่อ <c oughs> เลิกกลัวได้แล้วมาตั้งนานแล้ว <c oughs> คือเออโยมสังเกตว่ามีบางมีวันหนึ่งอะเจ้าค่ะที่โยมรู้สึกว่าพอโยมรู้ความรู้สึกแล้วมันจะ ต, ตัดตัดตัดตัดมันตัดแล้วบางทีก็ลืมไปเลยว่าตะกี้รู้สึกยังไงเออไม่เป็นไรนะ <c oughs> ไม่เป็นไรถูกต้องแล้ว ค่ะแต่อันนั้นมันเป็นเพราะว่าเรามีสติหรือว่าเพราะว่าเราไปรู้ผัสสะอื่นเจ้าคะไม่สติเนี่ยเป็นตัวที่ระลึกรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏถ้าเมื่อไหร่มีสติขึ้นมานะไอเรื่องที่คิดอยู่ก็ดับดับอัตโนมัตินะเพราะขณะที่เราคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่คิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัติขณะที่เรามีสติรู้กายรู้ใจมันจะไม่ไปรู้เรื่องที่คิดแล แล้วถ้ารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีความคิดอยู่ด้วยเนี่ยรู้แต่อารมณ์ก็พอใช่ไหมเ้าก็รู้อารมณ์ไปนะแต่ถ้าสงสัยว่าเอ๊ะมีสองงานแล้วจะรู้อันไหนรู้สงสัยะน ะ, ะรู้ตัวที่กําลังควบคุมพฤติกรรมของเราอย่างเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยเจ้าค่ะยมจะเห็นความคิดไม่แน่ใจว่าตั้งใจดูน่าจะตั้งใจดูแล้วก็ความคิดก็ดับดับดับดั บ, ดบมันก็ ไม่มันก็วางว่างว่างว่างว่างว่างแต่อย่าไปนอนอยู่ในความว่างค่ะแต่ว่าจะเห็นว่ามีความคิดเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็วางอย่างนั้นเนี่ยตั้งเห็นไหมความคิดกับว่างสลับกันใช่จ้ะมีความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความว่างขั้นอยู่เดียวก็คิดใหม่อย่างงั้นไม่แน่ใจว่าโยมตั้งใจแบบจนเกินไปหรือเปล่าสังเกตง่ายๆถ้าตั้งใจเกินไปใจจะแข็งแข็งแน่นแถ้าใจปลอดโลร่ง่งเบานะใช้ได้ ไม่ได้จงใจถ้าจงใจเราจะแข็งแข็งแน่นแนหนักหนักแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งพอโยมเข้าไปรู้ความรู้สึกใช่ไหมเจ้าคะจะเห็นว่ามีตัวที่อยากดูโยมก็รู้สึกความอยากดูมันก็ว่างไปเลยเขตต้องเลยอย่างนั้นนะความอยากดูกําลังบงการพฤติกรรมเราอยู่ไหมดูตัวที่กําลังบงการพฤติกรรมเราโดยเฉพาะพฤติกรรมทางใจเพราะตัวที่บงการพฤติกรรมทางกายคือใจของเรานี่เอง แต่ว่าอะไรบงการใจแล้วโยมก็นอนไม่หลับอหรอเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่ง่วงไม่โสมก็ใช้ได้โสมเจ้าค่ะโสมเหรองั้นต้องไปหายามากินแล้วเจ ะ, ะหวานวันนี้จิตใช้ได้สบายกว่าคราวก่อนก่อน้ค่ะเออมีคนเขามาดูเอาขแล<ด>้วเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเสียหมดอะพอละลงไป ข อ, อถามนิดนึงเจ้าค่ะคือโยมเพื่อนโยมคนนี้เจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาดูลมหายใจแล้วกำหนดพุตโทเนี่ยเขาเครียดเจ้าค่ะโยมก็เลยบอกว่าให้คิดแต่ฟุตโธอย่างเดียวไม่ต้องมีลมหายใจเนี่ยใช้ได้ไหมเจ้าค่ะได้ที่จริงแล้วนะหาเครื่องอยู่มาอันหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราอยู่แล้วสบายเหมือนเราเลือกบ้านอ่ะเรามีเงินทองพอสมควรเราก็เลือกบ้านที่สบายเนี่ย กรรมฐานเหมือนกันนะกรรมฐานมีเยอะแยะเราก็หาบ้านที่สบายคนไหนสบายกับพุทโธอยู่กับพุทโธสบายกับลมก็อยู่กับลมสบายกับท้องของยุคก็อยู่กับท้องฟองยุกแต่ถ้าอยู่แล้วเครียดแสดงว่าไม่สบายนะถ้าเครียดแล้วเราบังคับใจเราไปนิ่งอยู่ที่ท้องไปนิ่งอยู่ที่ลมอันนั้นไม่ใช่บ้านอันนั้นคือคุกคุกกับบ้านไม่เหมือนกันคุกเนี่ยต้องเข้าไปนอนนิ่งๆอยู่ข้างในห้ามออกมาข้างนอกแต่อยู่บ้านนะถ้ามีธุระออกมาได้ตลอดเวลา เพราะฉนั้นใจของเราจะไม่ถูกบังคับถ้าเราไม่รู้จะรู้อะไรเราก็มาอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมก็ได้อะไรก็ได้ที่เราถนัดเอาสักอันนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปพุทโธเล่นเล่นพุทโธเป็นแบ็คกราวไม่ใช่พุทโธเพื่อบังคับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวพุทโธเล่นเล่นไปพุทโธพุทโธไปดีกว่าให้มันคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นมาคิดคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าใจหนีไปแล้ว พุโทโธพุธโทโธใจชักซึมสืมแลนะ้วรู้ว่าสืมพุโทโธแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นการหัดรู้จิตรู้ใจไปด้วยอย่างนี้ทําให้สติเกิดง่ายด้วยเพราะจิตมันจําสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นเม็นเห็นสภาวะบ่อยใจลอยละหวานอ้าวนายเทสไม่มีอะไรถามแล้วครับรู้แจ้งแทงตลอดยังครับเอ อ่าอย่างนี้ก็แหละหาเรื่องได้แล้วดีใจรู้ไหมว่าดีใจครับอยากพูดแล้วรู้สึกไหมมีแรงดันขึ้นมาในห น, น้าอก ค, ครับเบาลงแล้วครับเอดูไปมันดูสั่พูดจนได้เลยเห็นไหมเห็นไห ม, ไมเบาแล้วเห็นเบาอึดอัดอยากพูดครับพออยากพูดนะแล้วไม่ได้พูดแลอึอดอัด นั่นตันหาเนี่ยเป็นเจ้านายที่ฉลาดให้คุณให้โทษได้ถ้ามันสั่งให้เราพูดนะแล้วเราพูดตามที่มันสั่งนะเราสบายใจถ้าเราไม่พูดนะอึดอัดมันลงโทษให้คุณให้โทษได้นะตันหาเป็นเจ้านายที่เก่งที่สุดในทางลัทธศาสตร์เลยหลวงพ่อเรียนลัทธศาสตร์นะตันหาเนี่ยปกครองโดยที่เราไม่รู้ว่าถูกปกครองเรารู้สึกว่าเราเป็นอิสระนะทั้งทที่เราไม่มีอิสระเลยเพราะั้นเราจะไม่มีวันที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้จริงๆ ตันหาเป็นเจ้านายที่ฉลาดให้คุณให้โทษพอเรามันสั่งเราเอาไปดูหนังเราไปดูนะมันให้ความสุขเรามันนิดนึ่งพอได้รับความสุขเป็นรางวัลเล็กน้อยเหมือนที่เขาหัดหัดหมาอ้าวคาบไม้มาได้ให้กินขนมนิดหนึ่งเนี๋ยวโยนอันใหม่ไปอีกแล้วเอาไปคาบตัวนี้ให้กินอีกนิดหนึ่งตันหาใช้วิธีนี้กับเรามันโยนไม้มันใช้งานเราทั้งวันน่ะแต่ถ้าเราทําตามใจมันให้ความสุขมาเศษเศษมะ ให้เสร็จเนื้อมาชิดนหนึ่งแล้วก็สั่งงานใหม่ทันทีเลยไม่ให้หยุดพักนะทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดพักนะจนกว่าจะสลบไปคือหลับไปตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่สั่งงานอีกงั้นชีวิตนี้น่าสงสารน่าสงสารมากเลยอ้าวพานหลวงพ่อให้ถือไม้เองนั่นแหละจกแกลกงไม่ให้พูดหลับพูดเราฟุงา้งซ่าน อ่าคือพยายามตามรู้นะครับหลวงพ่อแต่ว่าปรากฏว่าจะรู้สึกว่าทำด้วยความอยากนะครับเออเก่งเก่งที่รู้นะแล้วก็สติที่ว่าที่ว่ามีก็คงเหมือนกับว่าจงใจมากกว่าที่จะรู้โดยอัตโนมัติรู้อย่างเป็นกลางนะครับใช่ได้รู้ได้ถูกต้องละดีไหของเราเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่าเป็นอย่างเนี้ไม่ต้องมาแกล้งคุยอวดกันไหมกรรมาฐานวัดหลวงพ่อนี้นะไม่มีส่งกันบ้างเพราะว่า มาส่งนะมาเรียบเรียงถ้อยคํามานะก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อหรอกนะแต่ถ้าเห็นอย่างนี้ถือว่าสอบผ่านละทีนะนี้จะทํายังไงให้ได้รู้ว่าเป็นกลางจริงๆนะครับตอนนี้สับตกเลยจะทํายังไงรู้ไปอย่างที่มันเป็นนะเพราะงั้นรู้ไปแล้วใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางนะยกตัวอย่างช่งความสุขเกิดขึ้นใจเราพอใจยินดีพอใจให้รู้ว่าพอใจ ต่อมาก็เห็นความพอใจดับไปเราก็เห็นความสุขอยู่เสร็จแล้วความสุขก็ดับไปเราก็เสียดายขึ้นมาให้รู้ว่าเสียดายเสร็จแล้วพอความทุกมาเราเห็นเลยใจเราไม่ชอบไม่เป็นกลางเราก็ดูไปพอใจเราเป็นกลางแลความทุกข์ก็หายไปบ้างไม่หายบ้างแล้วแต่เหตุในสุดนานไปนานไปปัญญามันเกิดเราจะเห็นเลยความสุขก็ของชั่วคราวไม่ต้องดีใจหรอกความทุกข์ก็ของชั่วคราวไม่ต้องเสียใจหรอกเนี่ยใจจะเป็นกลางกลางเพราะปัญญา เพราะปัญญาเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นว่าสภาวะทั้งหลายชั่วคราบหมดเลยไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจนะเป็นกลางเพราะปัญญาจิตที่เป็นกลางเพราะ ป, ปัญญ า, า, า, ญญานี่เนียกว่ามันมีปัญญาที่เรียกว่าสังขารู้เบกขายานเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหมดเลยกับสิ่งที่เป็นคู่คู่ทั้งหมดเลยมันเห็นสุขกับทุกข์เสมอกันเสมอกันโดยความเป็นไตรลักษณ์นะมันเห็นกุศลและอกุศลเสมอกันโดยความเป็นไตรลักษณ์ เห็นสภาวะที่หยาบที่ละเอียดสภาวะภายในภายนอกนะสภาวะที่ใกล้ที่ไกลอะไรที่นีนะ้สภาวะที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรเนี่ยนะเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเ ป, เป็นกลางเป็นกลางลใจเป็นกลางใจไม่ดิน้นะใจก็ไม่ดิน้นใจไม่ดิ้นนี่แหละสำคัญมากจิตใจที่ไม่ดิ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นนิพพานเพราะนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ดิน้น จิตใจของเรามีคุณภาพระดับไหนเราก็เห็นสภาวะธรรมระดับนั้นยกตัวอย่างวันนี้จิตใจเราหดหูนะโลกทั้งโลกหดหูทั้งโลกเลยเคยรู้สึกไหมวันนี้จิตใจเรามีโทสะรู้สึกไหมดูไปทางไหนโลกนี้ดูโงดหงิดไปหมดเลยวันนี้จิตใจเรามีความสุขสมมติไปจีบสาวสําเร็จใหม่ๆแหมอยู่ในอารมณ์รักโลกเป็นสีชมพูที่เขาบอกว่าเป็นสีชมพู เงันใจเราเป็นยังไงเราก็เห็นโลกเป็นอยังไงเห็นสภาวะธรรมเป็นยังไงถ้าใจเราไม่ปรุงแต่งเราจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งนี่ใจเราไม่ปรุงแต่งได้เพราะว่ามีปัญญามีปัญญารู้ทันว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายนี่ล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่ไม่เป็นทุกข์ล้วนแต่บังคับไม่ได้ความสุขมาไม่หลงดีใจความทุกข์มาก็ไม่เสียใจเป็นกลางไม่ดิ้นรนปรุงแต่งแต่ถ้าไม่เป็นกลางจะดิ้นรนปรุงแต่ง เช่นความทุกข์เกิดขึ้นก็ดิ้นว่าทํายังไงจะหายความสุขเกิดขึ้นก็ดิ้นทํายังไงจะอยู่นานๆนนอยากปฏิบัติก็ดิ้นนะกําหนดโน้นกําหนดนี้ใหญ่เลยนั่นก็ปรุงแต่งนะรุงแต่งการปฏิบัติขึ้นมาอีกไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคนิพพานเลยนะอยากได้มรรคนิพพานนี่ง่ายๆสุดๆเลยให้รู้ทุกข์ไปรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจในี่ยพระเจ้าสอนแค่นี้เองวิธีรู้กายรู้ใจจะรู้กายรู้ใจได้ถ้าไม่สุดโต่ไปสองข้าง ข้างการสุขาริการนิโยกตามกิเลสไปข้างอาศัากิลมัฏฐานนิโยคบังคับตัวเองไว้พวกเราชอบบังคับตัวเองนักปฏิบัติบังคับเอาบังคับเอาทําในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามเสร็จแล้ววิธีจะรู้กายรู้ใจที่ถูกต้องต้องไม่เผลอไปไม่เป็นเพ่งไว้กําหนดไว้แล้วก็รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นวิธีรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงท่านสอนไว้ในสติปัฏฐานการรู้กายรู้ใจเรียกว่ารู้ทุกในอริยสัจนั่นเอง ท้าเไรเรารู้ทุกข์แยมแจ้งเรารู้เลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสามารถสลัดคืนกายกับใจให้โลกได้นะคืนธรรมชาติเดิมได้ความดิ้นรนของจิตที่จะหาความสุขความดิ้นรนของจิตที่จะหลีกดีความทุกข์จะดับโดยอัตโนมัติเมื่อไร่ไม่มีตัวเราก็ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ตัวเราเป็นสุขไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ตัวเราคนทุกข์ เพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งคือรู้ว่าขันห้ากายใจนี้ไม่ใช่เรานะแล้วคืนโลกได้ไม่ยึดถือได้นะตัณหาคือตัวสมูทัยนี้จะถูกละโดยอัตโนมัติเพราะงั้นเมื่อไร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นสมูทัยจะถูกละทันทีที่สมูทัยถูกละจิตจะหมดความดิ้นรนเลยนิโรธจะแจ้งขึ้นต่อหน้าต่อตาสันที่สุขก็ปรากฏนิพพานปรากฏ่เลยฉะนั้นการรู้ทุกข์จนทั้งละสมูทัยแจ้งนิโรธได้เรียกว่าอริยมรร อริยมรรคก็คือการที่รู้ทุกข์หรือรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆนั่นแหละรู้ไปจนวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจความดิ้นรนหรือตัณหาที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความดิ้นรนหรือตัณหาที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มีขึ้นมาอีกจิตใจที่ปราศจากตัณหานะจะเข้าถึงความสงบสุขจิตใจของเรามีตัณหาบังคับเราเค้นเราทั้งวันทั้งคืนที่หลวงพ่อว่านะยิ่งประธาตอีกนะโดนมันสั่งตลอดวันตลอดคืน มันหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นการรู้ทุกข์คือการรู้กายรู้ใจได้ตรงความเป็นจริงว่าเขาเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือทางรอดทางเดียวนี่เรียกว่าเอกกายนามัตยทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองนะในทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีกําหนดนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมีแต่ว่าให้รู้กายให้รู้ใจหลวงพ่อคาเห็นมัน คือเหมือนกับว่าจิตมันจะวิ่งไปยึดอะไรสักอย่างมันที่พึ่งค่ะแต่ว่าพอมันหาจากข้างนอกไม่ได้แล้วพอมันกลับมาที่ใจมันก็ร่างกายมันก็ยึดมันก็เห็นอยู่มันรู้อยู่ว่ามันยึดไม่ได้พอกลับมาที่ใจมันก็ยังยึดไม่ได้มันก็เลยเกิดแบบเวงวางขึ้นมาว่าตอนนี้รู้สึกเวงวางไหมขณะจิตเนี้ยขณะจิตนี้เป็นยังไงมันซึมซึมทื่อๆอยู่อย่าไปกดมันไหมเรายังกดมันอยู่ปล่อยซะอย่ากลัวไม่ดี โยนมันทิ้งไปลงไปนอนทีหนึ่งได้ไหมนอนลงไปตรงนี้เลยนอนเล่นๆเลยแล้วคุยกับหลวงพ่อไ้มหลุดไปบ้างบางส่วนแต่ไม่หมดดูออกไหมถ้านอนลงไปตัวที่อัดๆไปกระจายออกไปน่อยเพราะมันมันตึงเกินไปมันตึงเกินไป รู้สึกไหมไม่สบายหรอกรู้สึกตัวแต่ตึงเกินไป ม, มีวิปัสสนาอยู่ตัวหนึ่งนะสติกล้าแข็งเกินไปสติที่กล้าแข็งเกินไปไม่ดีไม่มีความสุขรู้สึกไหมว่าตึงเกินไปรู้ชัดแต่ไม่มีความสุขแม้แต่ตอนที่ทำสมาธิสมาธรถามก็ยังรู้สึกมันเหมือนมีความเครียดอยู่นั่นแหละโยนทิ้งไปเถอะนะทาผิดให้รู้ทันก่อนขั้นแรกต้องรู้ก่อนว่านี่ไม่ใช่นะ เราหลายคนไม่รู้เราคิดว่าต้องรู้ตัวได้ชัดๆถึงจะ ด, ดีเช่นหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะ <Yeah. S 1> พยายามเล้าความรู้สึกนะให้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะ <Yeah. S 1> นึกว่าดีไม่ดีนะผิด ธ, ธรรมดา <Yeah. S 1> จิตใจจะหาความสุขไม่ได้เลยเบอร์ยี่เอ็ายังชั่วละจิตใจมีความสุขกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมตอนที่ก่อนที่หลวงพ่อจะคุยด้วยนั่นแหละตึงเกินไปเล้าความรู้สึกมากเกินไป ตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยจิตใจเบิกบานขึ้นมาดูออกไห ม, ไมรู้ลงไปลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะหนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไห ม, ไมดีแล้วฝึกไปนะฝึกไปอย่าขี้เกียจ น, นะแต่ห้ามขยันนะห้ามหมดนะขี้เกียจก็ไม่ได้ขยันก็ไม่ได้ไเอาใครมีอะไรได้อีกสักคนหนึ่ง เอายมเบอร์ห้ามากับใครล่ะด้วยกันเลยคุณเบอร์สามสิบค่อยตื่นขึ้นมาแล้วล่ะเนี่ยคุณเบอร์ห้ารู้สึกไหมกําลังเริ่มบังคับตัวเองแล้วเลิกซะเออเลิกซะเลิกซะมันนําความทุกข์มาให้ตัวเราเองเราคิดว่าทําอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติความจริงเรากําลังเค้นตัวเองทรมานตัวเองให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้ไปดัดแปลงมันยอมนึกออกใช่ไหมไปดัดมันดัดแปลงมัน ไปเค้นให้นิง่งออให้รู้ทันนะให้รู้ทันถ้ารู้ทันได้นะมรรคผลนิพพานมันก็มีหวังหรอกแต่ถ้าไปติดทื่อๆ อ, อยู่นะยังไม่ได้หรอกอีกไกลเพราะว่าเราทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามถ้าบอกอย่าบังคับตัวเองอัตตะกิลมะ า, านุโยคกดข่มตัวเองเราขม่มนึกออกอยังว่ามันขม่มผมกับรู้ไม่เหมือนกันนะขอบคุณนั่งข้างหน้านี้ใจลอยไปแล้วทราบไหม เออใจต้องอย่างนี้นะรู้สึกไหมกว้างๆจิตใจทใี่ธรรมดาต้องอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้มันรู้ไม่ถูกต้องถ้ารู้ตัวถูกต้องนะจิตจะเบิกบานจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลมีความรู้ตัวแต่แข็งกระด้างนะแข็งกระด้างไม่ได้นะจิตที่กระด้างจิตที่แข็งเนี่ยเป็นอคูสลจิตนะอย่างนี้ดีนะตรงที่ขยับตะเกียะ เราอะไรเพราะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเอออย่างนี้พ อ, อรู้เรื่องล่ะรู้สึกไหมจิตเราสว่างรู้สึกไหมจิตเราเบาเนี่ยที่ใจใ จ, ใจมันจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเราสงบสะอาดสว่างนะอ่อนโยนนุ่มนวลจิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมบังคับแล้วทราบไหมเริ่มทำตัวเรียบร้อยอีกแล้วเนะนี่ยอย่างนี้ถึงจะดีนะ จำตรงนี้ได้ยังแล้วไปลองดูรู้สึกอย่างนี้แหละแล้วรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปนะเดี๋ยวจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกง่ายที่สุดเลยเราเองเอไปเข้นตัวเองจนลําบากนะเพราะเรามีทิฏฐิคือมีความเห็นว่าต้องทําอะไรย า, ากๆการปฏิบัติคือการทําอะไรที่เหนือธรรมดาแล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดาเราชอบคิดอย่างนี้แท้จริงการปฏิบัติทรนะั่นคือการเรียนรู้ว่าธรรมดาของกายของใจเป็นยังไง จงกระทั่งยอมรับความเป็นธรรมดาของเขาใจเราจะเข้าถึงความเป็นธรรมดา